เรื่องหญิงต้องการไปสุขติหนึ่งเรื่องสมัยนั้นหญิงคนหนึ่งถามภิกษุที่นางอุปธรรมว่าพระคุณเจ้าดิฉันจะไปสุขติได้อย่างไรน้องหญิงถ้าอย่างนั้นเธอจงถวายทานอเลิศพระคุณเจ้าอะไรชื่อว่าทานอเลิศเมทุนธรรมท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอบัตสังฆาทิเศษหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูล พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอต้องอบัตสังคาทิเศษวงเล็บเรื่องที่เจ็ดอัตตากามะปาริจาริยสิกขาบทที่สี่จบ